เดิมที่เราได้มันเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งคืบกับสี่นิ้วแต่เมื่อเราได้ถึงชาญแล้วเราจะฝึกจิตเนี่ยให้เกิดความเชี่ยวชานนี้ก็ต้องฝึกขยายนิมิต ท, ที่เราได้อันนี้เช่นแผ่ความสว่างสวายนี่ออกไปจากหนึ่งคืบ4ี่นิ้วเป็นหนึ่งวาจากหนึ่งวาเป็นสิบวาจากสิบวาเป็นร้อยวาเป็นแสนวาจนกทั่งความสว่างสวายนี่จดขอบจักรวาลทั้งหมด โดยเรานั่งหลับตาอย่างแต่แสงสว่างนี่จะแผ่ออกไปหรือจะเริ่มจุดตั้งแต่ว่าเราจะแผ่แสงสว่างเนี่ยให้สว่างเต็มห้องที่เราอยู่เราก็แผ่ไปแค่ห้องที่เราอยู่หรือจะแผ่ความสว่างสวยเ น, นี่ยออกไปให้ทั่วโลกเราก็แผ่ออกไปได้ความสวาส่วางสวยอันนี้หรือทั่วจักรวาลก็แผ่ไปได้แล้วเราก็ย่อให้เล็กลงเขาตามเดิมดึงแสงสว่าง น, นี่ให้เล็กให้เล็กลงเล็กลงและจะแผ่ให้กว้างออกไปก็ได้เมืันเราโฟกัสไอ้รูป ภาพหรือเครื่องฉายภาพยนตร์เนี่ยเราจะโฟกัสให้ให้แสงมันอยู่ในจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งอะรหรือขยายให้กว้างออไปกระน้เนี่ยเป็นลักษณะของของการขยายปฏิภาณที่จะให้เล็กลงจะให้กว้างออกไปก็อาศัยจิตที่เราได้ด้วยการฝึกสมาธิเนี่ยฝึกอยู่เมื่อฝึกอยู่อย่างนี้เสมอๆวสีก็เกิดเกิดความชํานาญหรือเกิดความช่ําชองขึ้น เวลานี้ในทางโลกใช้คําว่าเกิดทักษะก็คือเกิดความช่ําชองนั่นเองทักษะนั้นเป็นภาษาทางการศึกษาที่ใช้กันอยู่ว่าจะต้องเกิดทักษะอย่างเรียนภาษาไทยก็ต้องให้มีทักษะในการใช้ภาษาจะปฏิบัติธรรมะก็ต้องมีทักษะในการปฏิบัติธรรมะคือจะต้องมีความช่ําชองในการที่จะปฏิบัติธรรมะจะหยิบยกเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติเนี่ยก็สามารถหยิบมาได้หรือจะแก้ อาธมะมาแก้ปัญหาชีวิตปัญหาสังคมก็สามารถหยิบมาแก้ได้ทันทีและก็แก้ได้สำเร็จอย่างนี้การที่ฝึกจิตให้เกิดความชา น, ชนาญอย่างนี้ก็เพื่อผลในทางทำฌานเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะว่าถ้าเราได้เพียงปฐมฌานเพียงอย่างเดียวจิตนี้ก็ใกล้ต่อ น, นิวรณนมากถ้าเสริมแล้วก็ก็คงเหมือน เราไม่ได้สมาธิอะไรเลยคือยังใกล้ตอนนิวรผู้ที่เห็นโทษในนิวร น, นี้จึงพยายามฝึกจิตนี้ให้สูงขึ้นโดยเห็นว่าองค์ฌานที่ได้เนี่ยที่เป็นวิตตกวิจารปิติสุขเอกขตานี้ยังหยาบอยู่ก็มุ่งที่จะทำองค์ฌานนี้ให้ละเอียดเห็นว่าวิตกอยากก็อยากจะได้วิตกเสียแต่ก่อนจะไับวิตกได้นี้จะต้องจะต้องพยายามฝึกจิตนี้ให้เป็นวสีจึงต้องอาศัย ปฏิภาค น, นิมิตรนี้ส่วนเรื่องของวสีนั้นเราจะได้อธิบายให้เข้าใจในตอนท้ายก่อนที่จะถึงซึ่งวสีทั้งห้าประการเนี่ยจะเกิดความช่ำชองในการเข้าฌานออกฌานนั้นปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือจะต้องสะสางปริปันธิกะธรรมท่านใช้คำว่าปริปันธิกธรรม แปลว่าทำที่เป็นฆาสึกต่อองค์ฌานหรือทำที่เป็นฆาสึกต่อกันต่ออกุศลเนี่ยต้องสะสารทำอันเป็นฆาสึกเหล่านี้ให้หมดเสียก่อนถ้าหากว่าไม่สามารถสะสารฆาสึกให้หมดเด้ยแล้วก็จะมีความสุขได้ไม่นานหมายถึงว่าสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นานถ้าไม่ขจัดฆาสึกให้หมดไป อันนี้ก็คล้ายๆกันในทางการครองชีวิตทางโลกเหมือนกันอย่างเรามีความทุกข์จากฆ่าศึกหรือจากศัตรูวิธีแสวงหาความสุขในทางโลกก็คือต้องขจัดฆ่าศึกหรือศัตรูเนี่ยให้หมดเสีย ก, ก่อนถ้าหากว่าฆ่าศึกเรายังขจัดฆ่าศึกไม่หมดก็ยังหาความสุขไม่ได้ในทางโลกก็ใช้วิธีนี้ในทางจิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยถือว่ากิเลสเป็นฆ่าศึกแม้จะบรรลุถึงฌานแล้วก็ตามแต่ถ้ายังขจัดฆ่าศึกไม่หมด ก็ยังยังไม่มีอะไรเป็นหลักประการว่าฌานที่ได้เนี่ยจะมั่นคงถาวรแค่ไหนเพราะอาจจะได้เพียงวันหนึ่งสองวันแล้วก็เสื่อมก็ได้ถ้าเราไม่ขจัดข้าสึกคือกิเลสเนี่ยให้หมดไปฉะนั้นการ ข, ขจัดข้าสึกคือกิเลสเนี่ยท่านใช้คําว่าสะสางปริพันธิกะธรรมปริพันธิกะถ้าเราไปได้ยินสัพท์นี้ซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ให้เข้าใจว่าปริพันธิกะธรรมนั้นน่ะ หมายถึงธรรมที่เป็นค่าศึกต่อสุสนหรือธรรมที่เป็นค่าศึกต่อกันเช่นฌานก็มีธรรมที่เป็นค่าศึกเหมือนกันธรรมที่เป็นค่าศึกของฌานในที่นี้ก็คือกิเลสหรือนิวรณ์ต่างๆก็เป็นค่าศึกของฌานฉะนั้นการขจัดปริปันธิกาธรรมให้หมดไปได้ก็ทําให้มีความสุขได้นานจึงอยู่ที่ว่าเราจะต้องทําลายค่าศึกเหล่านี้ให้หมดไปด้วยก็คือต้องทําลายกิเลสนี้ให้หมดไปเหมือนกับเราต้องการ ความสุขทางใจที่ที่นานๆเนี่ยเราก็ต้องขจัดค่าสึกให้หมดไปด้วยก็คือต้องทำกิเลสนี้ให้หมดไปเราจึงยิงมีความสุขทางใจนานๆถ้ากิเลยังมีอยู่กิเลสเกิดเราก็เกิดความทุกข์ต่อไปอีกเพราะกิเลสนั่นเป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดเนี่ยเป็นเป็นข้อปฏิบัติทีนี้การที่จะขจัดปริปันธิกธรรมเนี่ยให้หมดไปได้ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นค่าสึกเนี่ยจะมีวิธีอย่างไร บริปันธิกาธรรมเหล่านี้จึงหมดไปท่านบอกว่าผู้ที่ได้ถึงซึ่งอุปจาระหรืออัปนาสมาธิแล้วนั้นจะต้องใช้วิธีพิจารณาโทษของกามโคมกามฉันทะไว้ด้วยอํานาจของสมาธิเจิตต้องเพิ่มพูนซึ่งเอกกตาเนี่ยให้มากและเราก็สามารถจะข่มกามฉันทะได้จะต้องใช้อํานาจคือจะต้องใช้อํานาจ กายยสุธิอำนาจแห่งกายยประสุทธิคือความสงบทางกายเนี่ยไปข่มความกระวนกระวายทางกายได้ความกระวนกระวายทางกายนี่ก็เกี่ยวกับบางทีเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายหรือบางครั้งร่างกายเนี่ยกระทบกับความเย็นความร้อนหรือเหลือบยุงต่างๆมแมลงต่างๆ เราก็เกิดความรู้สึกกระวนกระวายทางกายทีนี้ถ้าหากว่าผู้นั้นได้เจริญกายยปสิทธิเพิ่มพูนกายยปสุธิขึ้นความกระวนกระวายทางกายเหล่านี้ก็หมดไปกายก็จะมีแต่ความสงบต้องอาศัยการเจริญกายยปสุธิหรืออํานาจแห่งกายยปสทธินี้ไปขจัดความกระวนกระวายทางกายนั่นแหละจึงจะขจัดได้สําเร็จจะต้องใช้อํานาจ ในการใฝ่ใจต่ออารัมพัาตาเพื่อที่จะบรรเทาเสียซึ่งถีนะและมิทธะเช่นอย่างความง่วงเหงาหง่อนเนี่ยก็ เ, เป็นอันตรายแก่ฌานเราจะขจัดความง่วงาเหาหงอนหรือความหดหู่ท้อถอยความเกียดคร้านต่างๆเนี่ยเราจะขจัดได้อย่างไรเราก็ต้องอาศัยอารามพัธาตต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามให้มาก เราจึงจะถจัดถีนมิทธะเหล่านี้ได้เราจะใช้อํานาจอะไรจึงจะสามารถทําลายอุทธัจขุกุจจะได้อุทธัจขุกุจจะนี้จะต้องใยใจในสมถานิมิตเมื่อไใยใจในสมถานิมิตมากๆแล้วเราก็สามารถที่จะถอนอุทธัจจะกุกกุจจะได้การใยใจใน สมถานิมิตก็คือป่ายใจในนิมิตที่เราเพ่งอยู่ให้มากความพุ่งสร้างความเดือดร้อนใจต่างๆเนี่ยเราสามารถถอนได้จะสงบระงับลงจากการที่เราได้เพ่งไปสู่สมถานิมิตอันนี้เนี่ยเป็นวิธีขจัดขจัดธรรมที่เป็นค่าศึกต่อกันหรือที่เรียกว่าปริปันธิกัธรรมซึ่งเป็นวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติในในขณะที่เราจะฝึกจิตเนี่ยให้เป็นวสี เมื่อเราประจัดท์ธรรมที่เป็นข้าศึกอย่างนี้ได้ดีแล้วต่อไปเราก็พยายามฝึ ก, กจิตของเราให้เป็นวสีขึ้นวสีนั่นแสดงไว้ในวิสุทธิมักว่ามีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งอาวัชนะวสีอาวัชนะ ว, ส, ว, นะวสีเนี่ยคือความช่ำชองในการพิจารณาพิจารณาองค์ฌานที่เป็นวิตกวิจารปีติสุขเอกส ต, ตาณนนีด้วยชวนักกจิต เรามีความช่ำชอในการพิจารณาองค์ชาอย่างนี้เรียกว่าอาวัดชนะวสีซึ่งเป็นวสีข้อที่หนึ่งวสีข้อที่สองนี่นว่าสมาปัตชาวสีสมาปัตชาวสีเนี่ยคือมีความชํานาญในการเข้าสมาบัตการเข้าชาสมาบัติคือจะเข้าชาสมาบัตเมื่อใดก็ได้เช่นขณะที่ทำทั้งหลายนั่งฟังอยู่นี่ท่านอาจจะนั่งเข้าชาก็ได้ถ้าว่ามีสมาปัตชนะวสีแล้ว จะเข้าฌานในขณะนี้ได้เข้าฌานระหว่างยืนก็ได้เข้าฌานระหว่างนอนก็ได้ระหว่างนั่งก็ได้คือนึกจะเข้าฌานก็เข้าได้ ท, ทันทีสงบ ท, งทันทีอย่างขณะนี้เราจะทําจิตให้สงบก็เข้าสงบได้ ท, ทันทีอย่างนี้ได้วัดสัมมาสามาปัชชะปัจฉนวสีวสีข้อที่สามคืออธิษฐานวาสีอธิษฐานวาสีเนี่ยคือมีความช่ำชองหรือความชํานาญในการอธิษฐาน เราจะเข้าฌานเพียงสิบนาทีเพียงยี่สิบนาทีหรือเพียงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันสองวันเนี่ยเราที่ฐานไว้ไมเมื่ออทิ่ฐานเข้าแล้วถึงเวลาก็จะออกทันทีถึงเวลาที่ทิ่ฐานเราก็จะออกจาก็บฌานทันทีอย่างนี้เรียกว่าอาธิฐานนวธิวสีคือชํานาญในการอาธิษฐานอาธิฐานเมื่อใดก็สําเร็จตามที่อธิฐานเมื่อนั้นประการที่ 4, ธธธธะะสี่วุฒฐานวุฒานวสี วุถานวสีนี้คือมีความชำนาญมีความชนานาญในการออกจากฌานเช่นจะออกจากฌานเมื่อไรก็ได้ออกได้ ท, ทันทีไม่ต้องคอยว่าจะต้องออกเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้ต้องให้สมาธิเสื่อมเสียก่อนแล้วจึงจะออกผู้ที่มีความชำนาญอย่างนี้จะออกฌานได้ด้วยความช่าชองนึกจะออกเมื่อไรก็ออกได้อย่างนี้เรียกว่าวุฐานวสีวสีข้อที่หน้าคือปัจจเวกขณวสี ปัจเจาเวทขณะวสีกับอาวชนาวสีเนี่ยคล้ายกันเพราะมีหน้าที่คือการพิจารณาองค์ฌานให้เกิดความชำนิชำนาญขึ้นเมื่อเรามีวสีทั้ง5ประการเนี่ยครบสมบูรณ์แล้วองค์ฌานที่ได้ก็เพิ่มพูนบริบูรณ์ยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อเราจะปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ทุติยฌานคือจะปฏิบัติจากฌานที่หนึ่งไปสู่ฌานที่สองเราก็ต้องอาศัยวสีนี้ เมื่อมีความชั่วาญอย่างนี้มากขึ้นแล้วเราเห็นโทษแห่งวิตกว่าวิตกเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่ยากอยู่ถ้าเรายังขจัดวิตกให้หมดไปไม่ได้แล้วจิตนี้ก็ยังใกล้ตอนนิวรณ์มากอาจจะเสื่อมก็ได้เมื่อวสีทั้งห้านี้มีอยู่เราเพิ่มภูมสมาธิให้สูงขึ้นเราสามารถละวิตตกได้มีแต่วิจารณ์ปีติสุขเอกสตาแล้วนั่นก็ชื่อว่าเราได้ขึ้นทุกติยฌานแล้ว ขึ้นสู่ทุติยฌานแี่การจะไปสู่ตัตยฌานจะถูกฌานก็ต้องอาศัยความชํานาญในองค์ฌานนั้นๆเนี่นนนยไต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นโดยการละองค์ฌานหยากไปสู่องค์ฌานที่ละเอียดเพราะว่าเมื่อละพระมฌ า, านแล้วจะขึ้นสู่ทุติยฌานก็ต้องละวิตตุหรือวิจารปีติสุขเอกกตาเป็นองค์ทุติยฌานครั้งจากปฏิบัติจากทุติยฌานขึ้นสู่ตัตยฌานก็ต้องละวิจารหรือแต่ปีติสุขเอกกตา จากปฏิยัญชานไปสู่จตุชานก็ต้องละปีติเหลือสุกับเอกกตาจากจตุชานไปสู่ปัญจมชานก็ต้องละสุขเป็นอุเบกขากับเอกกตาทั้งสองอย่างนั่นเป็นที่สุดแห่งรูปฌานที่ถึงปัญจมชานนี่กล่าวโดยปัญจกนยัยเพราะบางแห่งก็แสดงเรื่องฌานไว้เพียงสี่อุเบกขาเอกกตานั้นเป็นองค์ของจตุติชานก็มีแต่ในที่นี้เราแสดงตามสภาวะของจิต องฌานหรือฌานที่แสดงเป็นรูปฌานนั้นจึงมีอยู่ห้าเมื่อปฏิบัติถึงปัญมฌานแล้วก็ถาก็ว่าเราได้ปฏิบัติรูปฌานเนี่ยถึงที่สุดแล้วต่อไปถ้าผู้ใดมุ่งจะไปสู่อรูปฌานหรืออรูปรสมาบัตินั้นก็พยายามละรูปฌานเหล่านี้เพื่อมุ่งไปสู่อรูปฌานอันนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติให้เป็นวสีนี้อีกเช่นเดียวกันใน ในระปฏิบัติที่จะไปสู่ปัญจมฌานหรือองค์ของปัญจมฌานเนี่ยมีอุเบกขากับเอกสตาซึ่งเรื่องนี้จะได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งในตอนหน้าเพราะว่าอาทิตย์นี้การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิมรต ก, ก็พอสมควรกับเวลาแล้วตมาก็จะขอยุติการบรรยายไยว้แต่เพียงนี้จาได้ว่าการบรรยายคำทีวิสุทธิมรตกครั้ทงที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ องของฌานโดยเฉพาะได้พูดถึงปีติกับสุขให้ท่านทั้งหลายได้เข้ใจแต่คําว่าอุเบกขาที่เป็นองค์ฌานนั้นยังไม่ได้อธิบายโดยประจักษ์ชัดเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของอุเบกขาซึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงศัทพท์นี้เชิงผิวเผินก็จะไม่เห็นความสําคัญว่าอุเบกขานั้น จะมีอะไรลึกลับที่เราจะต้องศึกษากัน เ, เรื่องลึกลับของอุเบกขานั้นย่อมมีอยู่ทั้งนี้เพราะว่าการแสดงถึงอุเบกขาสับนี้ในทางสะไตรปิฎกนั้นได้แสดงไว้อย่างกว้างขวางและก็มีความหมายออกไปหลา ย, ย้วยกันเรามักจะพูดกันอยู่เสมอเป็นภาษาประจำวันว่าหัดวางอุเบกขาเสียบ้าง หรือหัดวางเฉยสิบ้างแล้วเราก็จะมีความสุขแต่เรานี่ไม่ทราบว่าการที่จะวางเฉยและให้เกิดความสุขนั้นจะวางกันอย่างไรจะวางกที่ตรงไหนถึงจะเป็นอุเบกขาเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่เราจะต้องศึกษากันอยู่ว่าอุเบกขาในพระพุทธศาสนานี้โดยความหมายของศับและในด้านของการปฏิบัติที่เราจะถือเอาเป็นสาระว่า ในชีวิตประจำวันนี้ถ้าหากว่าเราจะวางอุเบกขาสิบบ้างนั้นเราจะวางอย่างไรเรื่องอุเบกขาเป็นเรื่องสําคัญดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขาโดยเฉพาะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในวันนี้ใยตอนหนึ่งเรื่องของอุเบกขานี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะในเวทนาไม่ใช่มีแต่เฉพาะในโทมบีหารธรรมซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งคือคําว่าอุเบกขาโรมบิหารธรรม แต่อุเบกฐานั้นท่านจำแนกไว้มีอยู่ถึงสิบประเภทในสิประเภทนี้รวมทั้งชาโนเบกขาขึ้นเป็นอุเบกขาในองค์ชานด้วยเครั้งที่แล้วได้ทบทวนถึงองค์ของชานทั้งห้าองให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาครั้งหนึ่งว่าชาห้านั้นโดยเฉพาะองค์ของปฐมชามีองค์อยู่ห้าคือวิตกวิจารณติติสุเอกคตา ถ้าหากว่าไปถึงขั้นปัญจชมชาฌานก็จะมีวิตกวิจารมีแต่อุเบกขากับเอกคตาวิตกวิจารไม่มีซึ่งเป็นองค์ของปัญจชมชาฌานได้แตบบ่อุเบกขากับเอกคตาเปลี่ยนจากสุขมาเป็นอุเบกขาเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นอุเบกขาซึ่งอันนี้ถ้าหากว่ามองดูองค์ฌานอย่างผีวเผินแล้ว อุเบกานั่นจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขส ข, ขุมได้อย่างไรจะมีความสุขมากไปกว่าคำว่าสุขซึ่งเป็นสุขในองค์ของชาญเนี่ยได้อย่างไรอุเบกขาในองค์ฌานนั้นมีความหมายที่เป็นความสุขที่สุขขุมกว่าสุขที่ท่านได้กล่าวไว้ในจตุจารทั้งนี้เพราะว่าอุเบกขาที่เป็นองค์ฌานนั้น เป็นความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปอีกกว่าคําว่าสุ ข, ขเวทนาหรือคําว่าสุขที่เป็นองค์ฌานในจิตวิญญาณนั้นในพระไตรปิฎกท่านแสดงถึงอุเบกขาไว้มีอยู่สิบประเภทด้วยกันในสิประเภทนี้เราจะศึกษาไปแต่ละประเภทว่ามีความหมายอย่างไรประเภทที่หนึ่งเรียกว่าฉลามพุเบกขาคําว่าฉลามพุเบกขานี้ ถ้าจะแปลาตามก็แปลว่า อ, า, อาอุเบกขามีองค์หกอังคะอุเบกขาถ้าแยกโดยสั์ตามหลักวิญกาณแล้วก็แปลวอุเบกขามีองค์หกซึ่งเราก็าเข้าใจา ย, ยากว่าอุเบกขามีองค์หกเนี่ยคืออุเบกขาชนิดไหนคำว่าองค์หกในที่นี้ท่านหมายถึงอายตนะหก อายุตระหนัหกนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราและก็เป็นทางที่เราได้รับรู้อารมณ์กันอยู่ทุกๆวันทั้ง6กทางนี้ฉะนั้นคำว่าฉันานีิเบขาเนี่ยท่านหมายถึงอาการที่เป็นปกติภาพอันบริสุทธิ์อาการที่เป็นปกติภาพอันบริสุทธิ์นี้หมายถึงปกติภาพอันบริสุทธิ์ต่ออารมณ์ทั้งหก คือไม่ตกไปในฝ่ายของอิทธารมหรืออาิทธารมซึ่งอารมณ์ชนิเนี้โดยปุถุชนแล้วก็ปฏิบัติยากอยู่เช่นอย่างปัจจุบันนี้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ต้องรับรู้อารมณ์ทั้งหกอยู่อารมณ์ที่มากระทบก็ย่อมจะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งได้ยินเสียงที่ไม่ดี บานทรั้งได้กลิ่นที่ไม่ดีได้ลิ้มรสที่ไม่ดีได้สัมผัสถูกต้องที่ไม่ดีได้นึกคิดทันใจที่ไม่ดีเมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความชังหรือเกิดความโกรธขึ้นจิตก็เศร้าหมองทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นในจิตนี่เพราะว่าเราได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดี แต่ถ้าบางครั้งได้กระทบกับอารมณ์ที่ดีก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความรัก<แ>เกิดความพอใจเกิดความโลภขึ้นภายในจิตฉะนั้นเมื่อเรากระทบทั้งอารมณ์ที่ดีทั้งที่ไม่ดีอย่างนี้ก็มีทั้งความรักและความชังเกิดขึ้นสลับกันในชีวิตของปุุ้ชนนี่ที่เรารับรู้อารมณ์กันอยู่ในปัจจุบันจึงมีความรักความชังครอบงาจิตอยู่เป็นประจํา เดี๋ยวเราก็รักเดี๋ยวเราก็ชังหรือเดี๋ยวเราก็ชอบเดี๋ยวเราก็ไม่ชอบมันสลับกันอยู่อย่างนี้บางครั้งชอบบางครั้งไม่ชอบับเปลี่ยนกันอยู่เป็นประจำทุกๆวันความรักหรือความพอใจถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใ ด, ดก็เป็นทุกข์ความทางังถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดก็เป็นทุกข์ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความชังถ้าเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นสุขขุมหยาบมากกว่ากันความชังทำให้เกิดความทุกข์อย่างหยาบความรักทำให้เกิดความทุกข์อย่างละเอียดแต่ว่าเรามักจะมองไม่เห็นว่าความรักที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างละเอียดนั้นได้เกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาบ้างที่เป็นความทุกข์ละเอียดอ่อน ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงพระถีนาศผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเช่นอย่างพระอระหันต์พระอระหันต์คือท่านสิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านก็จะต้องดูรูปฟังเสียงมีจมูกก็ต้องสัมผัสกับกลิ่นมีลิ้นก็ต้องได้สัมผัสกับรสมีร่างกายก็ต้องได้สัมผัสกับโสดภารมณ์ถ้ามีอีกก็ต้องนึกคิดในเรื่องราวต่างๆแต่ว่าพระอระหันต์นั้นท่านดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิ้นรส และสัมผัสถูกต้องตลอดจนนึกคิดในสิ่งต่างๆนี้ไม่เหมือนกับปุตุชนแม้ว่าท่านจะเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราแต่ถ้าคุณทำถึงขั้นอรหันต์หรือเป็นพระวีนาะศพแล้วแม้จะประทบกับอารมณ์เหล่านี้ท่านก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นไม่เหมือนกับบุตุชนถ้าบุตรชนเนี่ยเราย่อมเกิดความรักความทางขึ้นถ้าได้ยินเสียงที่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบเช่นเสียงดินทาว่าร้ายขึ่งกันอะกัน เราก็ไม่ชอบเราได้กลิ่นที่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบลิ้มรสอาหารที่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องของปุตุชนแต่ว่าพระอรหันต์นั้นจะดีหรือไม่ดีท่านก็ไม่ชอบและก็ไม่ทํากระทบกับอารมณ์ที่ดีก็ไม่เกิดความรักกระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่เกิดความชังท่านมีความเฉยต่ออารมณ์เหล่านี้เราลองฝึกหัดจิตแบบสือทีนาศกันดูบ้าง ถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้เหมือนอย่างพระศีนาศกแต่อย่างน้อยขอให้เราสุกจิตอย่างพระศีนาศกว่าเราจะวางใจอย่างไรเมื่อเราได้กระทบกับความพอใจและความไม่พอใจที่จะไม่้จิตเนี่ยเกิดความรู้สึกเศร้าหมองทั้งในเรื่องของความรักและความชังเราจะวางใจได้อย่างไรเราวิธีที่จะสุดจิตเหมือนอย่างพระศีนาศกนี้ มีอยู่ทางหนึ่งที่เราจะทำได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นกศีนาศกเราทำได้ในช่วงระยะทำสั้นโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติอันถาวรหรือสมบูรณ์แบบเหมือนกับกะศีนาศกเพราะะศีนานกเนี่ยเรายกย่องว่าท่านเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์แล้วคำว่าสติสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่า ความเป็นอยู่ของพระผีนาศทุกๆเรียาบทไม่ขาดเลยจากสติท่านจะมีสติทุกๆเรียาบทไม่ว่าตาของท่านจะเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะหูของท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นลิ้นจะได้สัมผัสกับรสหรือกายจะได้สัมผัสกับโผล่สภารมณมจิตจะได้คิดถึงเรื่องราวใดๆก็ตามพระผีนาศมีท่านมีสติอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อท่านมีสติอยู่อย่างนี้ อภิชาคือความพอใจโพมนัทคือความเสียใจจะครอบงำจิตของพระผีนาตศไม่ได้เพราะฉะนั้นเลิกครอบงาไม่ได้ท่านก็มีความวางเฉยต่ออารมณ์เหล่านี้เฉยต่ออารมณ์ทั้งหกนี่ก็เหตุว่าพระผีนาศท่านมีสติดโดยสมบูรณ์ผู้ทุชนที่จะฝึกจิตแบบพระผีนาศนั้นก็คือฝึกใช้สติให้มีสตทิทุกๆุกอุยาบท ไม่ว่าเราจะเห็นรูปไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงคือเราจะฟังเสียงเราจะดมกลิ่นเราจะลิ้มรสเราจะสัมผัสถูกต้องหรือนึกคิดเรื่องราวใดๆก็ตามขอให้เรามีสติอยู่ทุกๆขณะระหว่างที่เรามีสติดโดยไม่ขาดสายเลยอย่างนี้จิตของเราจะผ่องายอยู่ได้นานจิตเนี่ยจะไม่ถูกความรักไม่ถูกความทางทั้งสองอย่างเข้าครอบงำการวางใจได้อย่างนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง สำหรับผู้ที่ฝึกสติแบบพระขีนาศกแต่ว่าเราจะให้ข้อมูลเหมือนพรขีนาศก์เนี่ยไม่ได้วิธีที่เราจะวางเฉยอย่างพระขีนาศกอย่างนี้จึงจําเป็นต้องใช้สติทุกๆุกขณะในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมชีวิตของเรานั้นย่อมมีทั้งที่ดีและก็ไม่ดีที่ว่ามีทั้งดีทั้งที่ไม่ดีเนี่ยคือบางครั้งเราอาจจะได้รับอารมณ์ที่ดีบ้าง บางครั้งก็ไม่ดีบ้างความดีความไม่ดีถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับปุถุชนแล้วก็มีอิทธิพลต่อจิตของปุถุชนเนี่ยมากอยู่ถ้าเราได้กระทบกับสิ่งที่ดีๆอยู่เสมอจิต ก, ก็มีแต่ความโลภมากขึ้นถ้าเรากระทบกับสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอจิต ก, ก็มีแต่ความชังหรือความโกรธเนี่ยมากขึ้นมีแต่ความขุ่นแค้นซึ่งจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวัน ถ้าหากว่าเราได้กระทบกับสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นเรื่องของผู้ทุชนทั่วไปทั้งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมากก็ทําให้จิตนี้เศร้าหมองมากเราเป็นทุกข์มากจากความพอใจบ้านจากความไม่พอใจบ้านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เราจะประคับประคองจิตไม่ให้ตกไปภายใต้อีกทธิพลของความรักและความฉางเช่นนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติอยู่ทุกๆุกขณะเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินก็สัตย์แต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สัตย์แต่ว่าเป็นกลิ่นได้ริมรสก็สัตย์แต่ว่าเป็นรสได้สัมผัสก็สัตว์แต่ว่าได้สัมผัสได้มึกคิดในเรื่องราวต่างๆก็สัตว์แต่ว่าเป็นเรื่องมึกคิด เราอย่าเพิ่มภูณวิตกวิจารให้มีความรู้สึกว่ารูปที่เห็นนั้นดีหรือไม่ดีเสียงที่ได้ยินนั้นดีหรือไม่ดีกลิ่นที่ได้สัมผัสนั้นดีหรือไม่ดีรสที่ได้ลิ้มนั้นดีหรือไม่ดีกายที่ได้สัมผัสนั้นดีหรือไม่ดีเรื่องที่นึกคิดในใจนั้นดีหรือไม่ดีคือไม่ต้องคิดไปถึงว่ามันดีหรือไม่ดี ก็้าหากว่าไปติดถึงคำว่าดีและถึงคำว่าไม่ดีแล้วจิตนี้ก็ต้องหวั่นไหวไปตามสภาพของอารมณ์เช่นนั้นถ้าดีก็เกิดความพอใจถ้าไม่ดีก็เกิดความไม่พอใจความพอใจกับความไม่พอใจนั้นเป็นอภุษล์ทั้งสองอย่างในทางพัพพุทธศาสานาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเนี่ยมีสติให้เห็นและก็หยุดอยู่เพียงแค่ ัแต่ว่าเห็นให้ได้ยินแล้วก็หยุดอยู่เพียงแต่ว่าได้ยินอย่าไปคำนึงถึงว่าดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าเรารู้จักกำหน ด, ดอารมณ์ได้อย่างนี้จิดจะไม่เกิดความเศ้าหมองด้วยอกุศลธรรมดังกล่าวนี่เป็นวิธีฝึกสติทุกๆเริยาบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ไม่เกิดความทุกข์ เพราะฉะนั้นการวางเฉยเส็ได้ในอารมณ์ทั้งหลายนั้นก็ทำให้เราเนี่ยไม่เกิดความทุกข์จนเกินไปเห็นที่ไหนมันกระดับที่นั่นโดยสภาพของธรรมได้ยินที่ไหนก็ดับที่ตรงนั้นเราได้กลิ่นที่ตรงไหนมันกระดับที่ตรงนั้นได้รีบรบที่ตรงไหนมันกระดับที่ตรงนั้นเราได้สัมผัสที่ตรงไหนก็ดับแล้วที่ตรงนั้นเราในลึกคิดที่ตรงไหนก็ดับแล้วที่ตรงนั้น นี่โดยสภาพของสภาวะธรรมเกิดขึ้นที่ไหนก็ดับอยู่ที่นั่นแต่ว่าเราเองตั้งหากที่เป็นตัวปัจจัยให้ธรรมที่ดับไปแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นจะขอยกตัวอย่างยสมมติว่าเราไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาความจริงขณะที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็สับตะว่าเห็นสภาพที่เห็นในขณะนั้นจิตที่ทาหน้าที่เห็นในขณะนั้นมันก็ดับไปแล้วแต่ว่า เรายังเก็บเอาความไม่ดีเหล่านั้นมานึกคิดให้เป็นภาพพจน์เกิดขึ้นในจิตอยู่ตลอดเวลาและก็เกิดความไม่พอใจในสิ่งที่เราเห็นอยู่เสมออย่างนี้ก็แสดงว่าเราเองเป็นตัวปัใจจัยให้สภาวะธรรมที่ไม่ดีนั้นดับไปแล้วเกิดขึ้นอีกในขณะต่อมาเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็ไปเก็บเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาคิดจนกระทั่งเกิดความกลุ้มอกกุ้นใจขึ้น ถ้าหากว่าดีก็เก็บออกมาคํานึงถึงใฝ่ฝันถึงว่าแม้ได้เห็นสิ่งที่ดีๆและเราก็คํานึงถึงสิ่งที่ดีเช่นนั้นตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของผุุ้ชนแม้แต่เสียงที่ได้ยินก็เหมือนกันเราอาจจะไปได้ยินใครด่าเราในที่ใดที่หนึ่งหรือใครนินทาว่าร้ายเราที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าขณะที่เขาด่าก็ดีเขานินทาก็ดีเกิดขึ้นในขณนะนั้น หรือเราได้ยินในขณะนั้นปิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นมันก็ดับไปแล้วดับที่ตรงนั้นเองแต่ว่าเรายังเป็นปัจจัยไม่ให้มันดับเรายังนึกยังคิดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงบ้านเรายังคิดว่าแม้คนนั้นว่าเราคนนั้นบินพาเราเราคิดแต่เรื่องราวเนี้ก็แสดงว่าเรา เ, เป็นตัวปัจจัยให้อารมณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทั้งๆ ท, ที่มันก็ดับไปแล้ว โดยสภาพของธรรมแต่ว่าเราพยายามเป็นปัจจัยให้มันเกิดก็เป็นการเพาะเป็นการคอบคูมความไม่พอใจหรือความขัดเคืองขึ้นไว้มากๆเราเอง